เดี๋อีกม่กี่วันก็เป็นวันอัสสัาห์บูชาวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบห้าสิบเอ็ดวันวันวันอัสสัาห์บูชานี้เป็นวันอะไรรู้เปล่าความจริงเป็นวันก่ อ, กอตั้งวัตพุทธศาสนาเป็นวันเกิดของพระศาสนาเพราะเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมเป็นครั้งแรก ถือว่าเป็นวันก่ อ, กอตั้งของพระพุทธศาสนาก็ได้ทุกวันอาสาฬหบูชาก็ถือว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระพุทธศาสนาปีนี้ก็เป็นปีที่สองพันห้าร้อยเก้าสิบหกแล้วว่าพุทธกาลนี่พุทธศักราชแล้นับมาจากวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จตรัสรู้ตอนนิพพานเริ่มต้น พุทธศักราชแต่ต้องทรงประกาศ45ปีก่อนก่อนที่จะทรงสเสด็จ ด, ดับขันพะประิปรนิพานไปก็ต้องเอา45บวกกับปีพศของปัจจุบันปีนี้ 2,551 บวกกับ45ปีก็เป็น 2,596 ปี เดี๋ยวก็ใกล้จะถึงห้าพันปีแล้วเวลาไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่หยุดยังศา ส, สนาก็จะก็จะหดลงไปเรื่อยๆหดเพราะคนไม่สนใจที่จะศึกษาไม่สนใจที่จะปฏิบัติไม่ได้หดเพราะธรรมะหดธรรมะไม่ไม่หดตามการตามเวลาไม่เสือ่อมตามการตามเวลา แต่ความสนใจฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาคื อ, อคุณธรรมที่จะทำให้ศาสนานี้อยู่ในใจของคนนี้มันน้อยลงไปคนเริ่มให้ความสนใจครับเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องของศาสนานอย่างในสมัยปัจจุบนันนี้เรามีคนอยู่ในประเทศก็ เกือบเจ็ดสิบล้านคนคนที่มีจิตใจใฝ่บุญไฝ่กุศลฝ่การปฏิบัตินี้ก็นับจำนวนได้ว่าไม่มากแสดงว่ามันมันที่มันเสื่อมมันเสื่อมไปจากใจคนเพราะมันมีสิ่งอย่างองื่นมาทดแทนก็คือความเจริญทางด้านวัตถุความเจริญทางด้านวัตถุก็เป็นผล เกิดจากความเจริญของความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับของศาสนาถ้าเราสนใจกับเรื่องวัตถุเรื่องความสุขทางตาหูจมูกินืนกายมากเท่าไรใจของเราก็จะอยู่ห่างไกลจากศาสนามากขึ้นเท่านั้นแต่ความเจริญในทางโลก จึงไม่ได้เป็นความแสลงที่แท้จริงแต่กลับเป็นความเสื่อมเสียมากกว่าเสื่อมที่จิตใจของคนมีศีลธรรมน้อยลงไปมีความเมตตาโกโรุณาน้อยลงไปมีความสงบน้อยลงไปมีความวุ่นวายมากขึ้นมีความพุ่งซ้านมากขึ้นมีคนเป็นโรคจิตมากขึ้นมีคนบ้ามากขึ้นมีคนฆ่าตัวตายมากขึ้น นี่เป็นผลของความจเจริญทางด้านวัตถุแต่เนื่องจากความมืดบอดหรือความหลงครอมงานจิตใจทําให้ไม่เห็นถึงความเสื่อมของจิตใจไม่เห็นถึงความเสื่อมของศาสนากับคิดว่าตนเองกําลังเจริญรุ่งเรืองอยากจะไปไหนก็ไปได้อยากจะดูอยากจะฟังอะไรจะดูได้ฟังได้ แต่ไม่เคยมองมาดูที่ใจเลยว่ามันร้อนหรือมันเย็นมันสงบหรือมันวุ่นวาย <c oughs> พระพุทธเจ้าจึงต้องประกาศพระอริยสัจสี่าการแสดงธรรมทั้งแรกนี้ทรงแสดงพระอริยสัจสี่เลยเพราะเป็นตัวที่จะเหมือนกับเป็นตัววัดอุณหภูมิภายในจิตใจของเรา ปาริยสัจสีนี้มีทั้งส่วนที่ร้อนและมีส่วนที่เย็นเหมือนกับป ร, รอดที่วัดอุณหภูมิที่มันขึ้นได้ถึงร้อยองศาและลงได้ถึงศูนย์องศาแทนใดปาริยสัจสีนี้ก็เป็นเหมือนกับป ร, รอดวัดอุณหภูมิภายในจิตใจของเราถ้าใจของเรามีมรรคมากมีนิโรธมาก มันก็เย็ยนมันก็สงบถ้ามันมีทุกข์มากมีสมุทัยมากมันก็ร้อนนี่คือพระอริยาาสัจสีมีส่วนที่ร้อนและมีส่วนที่เย็ยนพระอริยาาสัจสองข้อแรกคือทุกข์กับสมุทัยนี้เป็นส่วนของความวร้อนของจิตใจถ้ามีความอยากมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่ความทุกข์ร้อนภายในจิตใจ ก็จะมีมากยิ่งขึ้นไปถ้ามีมัคและนิโรธมากขึ้นเท่าไหร่ mm. ก็จะมีความเย็ยนมากขึ้นเท่านั้นภายในใจิตใจดังนั้นสงสอนให้เราสร้างมาัคสร้างนิโรธให้มีให้มากขึ้นแล้วให้ลดความทุกข์ความอยากให้น้อยลงไปอริ ย, ยสัจสองข้อแรกนี้ทำใ ห, ให้มันมีน้อยลงไป โดยการละความอยากทั้งสามคือความอยากในการละกามตัญหาความอยากมีอย่างเป็นภาวะตัญหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นวิภาวะตัญหาถ้ามีสามตัวนี้มากเพียงไรก็จะมีความร้อนมากขึ้นเพียงนั้นและสิ่งที่จะทำให้ ความอยากทั้งสามส่วนนี้น้อยลงไปเบาบางลงไปได้ mm. ก็อยู่ที่อยู่ที่การเจริญมากนั่นเอง mm. การสร้างบุญสร้างกุศล mm. การปฏิบัติธรรม mm. เพราะจะทำให้เป็นตัวที่จะไปลดละความอยากต่างๆให้น้อยลงไปเช mm. ่นการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมคันนี้ ก็เป็นการมาสร้างสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบซึ่งเป็นองค์ประกอบของมรรคที่สําคัญมรรคแปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์เริ่มต้นแล้วก็มีสัมมาสา ม, มากรรมันโตสัมมาสามังกปสัมมากรรมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิโวต่างๆตามมาอีกที อริยสัจนี้พระทรงแสดงไว้ว่าเป็นกิจเป็นหน้าที่หรือเป็นการงานที่ผู้ที่ต้องการที่จะไปสู่พระนิพพานจะต้องบำเพ็ญจะต้องทำให้ได้กิจมีอยู่สี่ข้อด้วยกันทุกต้องกำลดรู้ต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจอย่างทํางแท้สมุทไทยก็ต้องละ นโรธก็ต้องทําให้แจ้งมัค ก, ก็ต้องเจริญให้มากบาเพ็ญให้มากเพราะมัคนี้เมื่อเจริญแล้วก็จะทําให้ไปละสมุทัยได้เมื่อละสมุทัยได้นิโรธก็จะปรากฏขึ้นมาเพราะว่าสมุทายนี้เป็นตัวที่ทําให้เกิดความทุกข์เมื่อเราเอาดับสมุทัยได้ละสมุทัยได้ ความทุกข์ก็ดับนิโรจน์ก็แปลว่าความดับทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาส่วนทุกข์ที่ให้กำหํำลังรู้ก็เพื่อที่ให้เราศึกษาให้รู้ว่าสิ่งที่เราไปไปติดอยู่นั้นเป็นเป็นทุกข์นั่นเองเช่นเราเกิดมาแล้วเราติดอยู่กับอะไรเราก็ติดอยู่กับฐันห้านี่แหละติดอยู่กับร่างกายรูปรูปกา คือร่างกายติดอยู่กับเวทนาติดอยู่กับความสุขติดอยู่กับความทุกข์ความสุขก็เป็นการมตัิหาความทุกข์ก็เป็นวิป ว, วะฐานะพอเกิดความทุกข์ก็อยากจะให้มันหายไปก็เป็นวิปวะัาหาถ้าเกิดความสุขก็เกิดเป็นภาวตัาหาก็ได้การมตัิหาก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าความสุขมาจากทางไหน ถ้ามาจากทางตาตาหูจมูกนิ้วกายมาจากทางรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะมันก็เป็นความอยากในการที่เราไปดูไปเที่ยวไปดูไปฟังไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะแล้วเกิดความสุขใจขึ้นมาเราก็เกิดความอยากอยากจะไปสัมผัสอยู่ด้วยแต่ถ้ามันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นมาภายในใจโดยไม่ได้มาจากทางตาหูจมูกนิ้วกาย อันนี้ก็เป็นภาวะตัณหาที่เราร่างกายของเราอยู่เป็นปกติไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้เราก็เรียกว่ามันก็เป็นความสุขอย่างนี้โดยที่เราไม่ต้องไปหาความสุขจากการสัมผัสลูกเสียงกิริยลดปวดตะพอร่างกายเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเช่นเวลานั่งสมาธิแล้ว เ, เกิดความเจ็บปวดขึ้นมาตามส่วนต่างๆเราก็เกิดวิภาวะตัณหาขึ้นมาอยากจะให้ความเจ็บปวดนั้นดับไป หาไปหรืออยากจะหนีจากความเจ็บปวดนั้นไปเมื่อเกิดความอยากขึ้นมาก็จะสร้างความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งซึ่งเป็นทุกข์ที่ตามมาจากความอยากไม่ได้เป็นทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บปวดของร่างกายความเจ็บปวดของร่างกายนี้กับพระอาหารหันต์นี้จะไม่มีทุกข์ตามมาทางจิตใจเพราะใจของท่านนั้นไม่มีวิภพวรตนาะ ไม่มีความอยากหนีจากความเจ็บปวดของร่างกายมันจะเจ็บจะปวดอย่างไรก็ปล่อยให้มันเจ็บไปได้ดังนั้นเราจรึงต้องใช้ขันห้านี้เป็นที่ศึกษาเพราะว่าทุกมันจะเกิดที่ตรงนั้นสนามสนามลบของของความทุกข์มันจะเกิดตรงนั้น อไม่ใช่สนามเวทีของความทุกข์มันจะปรากฏอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและเหตุที่จะทำให้มันเกิดความทุกข์ในใจขึ้นมาก็คือความหลงไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอย่างไรยะมมีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเห็นว่ารูปนี้ น่าจะอยู่อย่างถาวร น, น่าจะเป็นอย่างเดิมไม่ควรเปลี่ยนแปลงจึงทำให้เกิดความอยากให้สาวให้รอให้หนุ่มอยู่ตลอดเวลาเกิดความวิภวตัณหาคือไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายนี่เกิดจากความมิจฉาทิฐิไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของร่างกายว่ามันเป็นอนิจจัง มันไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีตั้งแต่เกิดมาออกจากท้องแม่มามันก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆจากทารกก็เป็นเด็กจากเด็กก็เป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็เป็นคนแก่จากคนแก่ก็เป็นคนตายมันไปของมันเรื่อยตามตามเรื่องของมันแต่ใจที่มีมิจฉาทิฏฐิก็จะไม่คิดอย่างนั้นจะคิด ผืนกับความจริงจะอยากให้มันหนุ่มให้มันสาวไปนานๆไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแต่ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิเราพิจารณาร่างกายอยู่เรื่อยๆตามความเป็นจริงของเขาว่าเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วต่อไปความอยากที่ไม่ ความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายมันก็จะไม่โผล่ ข, ขึ้นมาเ <c oughs> พราะมันรู้ว่ามันฝืนความจริงและมันสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาโดยปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้ทําให้ความแก่มันหายไปไม่ได้ทําให้ความเจ็บหายไปไม่ได้ทําให้ความตายหายไปแต่กลับให้มีความทุกข์เพิ่มขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งคือความทุกข์ทรมานใจทุกนี้ที่เราเรียกว่าทุกข์ในอริยสัจ ทุกที่เกิดจากสมุทยัยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ทุก์ที่เกิดจากในร่างกายร่างกายเขาไม่ได้เป็นทุกร่างกายเขาแก่เจ็บตายเท่านั้นเองแต่ใจทางหาที่ไปเป็นไปทุกข์กับเขาเพราะไปอยากไม่ให้เขาแก่ไม่ให้เขาเจ็บไม่ให้เขาตายนี่คือความหมายของทุกต้องต้องกําหนดรู้ต้องศึกษาต้องศึกษาให้เข้าใจถึงธรรมชาติของขันห้า คือของรูปเวทนาสัญญาสังขารยินยานร่างกายเราก็เข้าใจแล้วได้ยินแล้วว่ามันเกิดแก่เจ็บตายแต่เราต้องคอยเตือนใจเรื่อยๆสอนอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่สอนเดี๋ยวเราเผอลอละเดี๋ยวป๊อปเดียวคิดอยากจะไปซื้อยาแต่งหน้ามาทาละยาดึงผิวให้มันตึงเลยยาย้อมผมยาอรต่างๆนี่แสดงว่าวิชาทิฏฐิออกทํางานแล้ว ถ้าเป็นสมาธิฏิก็สบายเหี่ยวก็เหี่ยวย่นก็ย่นขาวก็ขาวไม่เป็นปัญหาอะไรนี่ถึงจะเรียกว่าสมาทิฏฐิส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นเหมือนหิ่งห้อยมันเกิดดับเกิดดับภายในใจของเราความสุขความทุกข์มันก็เกิดแล้วก็ดับแล้วก็ผ่านไปสลับกันมาเดี๋ยวก็เจ็บตรงนั้นเดี๋ยวก็ปวดตรงนี้เดี๋ยวก็หายไปมันก็สลับกันไป ถ้าเราไม่ไปอะไรกับมันเจ็บก็รู้มันเจ็บเจ็บขาเจ็บแข้งเจ็บศีรษะเจ็บท้องกับรู้มันเจ็บถ้ากินยาแก้ไดก็แก้ไปแก้ไม่ได้ก็ปล่อยให้มันเจ็บไปจนกว่ามันจะหายลงมันเองมันไม่มีอะไรไม่หายมันต้องหายแน่ๆจะหายแบบไหนท่าหนหายไปกับร่างกายก็หายอย่างก็หายเหมือนกันหายไปกับพื้นกับไฟเอาไปเผาเนี่ยมันก็หายหายไปกับลมหายใจ พอไม่มีลมหายใจแล้วทุกอย่างมันก็หายไปหมดความเจ็บปวดต่างๆส่วนต่างๆของร่างกายมันก็หายไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่หายปล่อยให้มันไปเป็นไปตามธรรมชาติของมันถ้าเราปล่อยไปตามธรรมชาติได้เราก็จะไม่สร้างสมุทยัยคือความอยากอยากให้มันหายขึ้นมาก็าจะไม่สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นมาในใจซึ่งเป็นความทุกข์ที่ทรมานที่รุนแรง กว่าความเจ็บของร่างกายเป็นหลายร้อยเท่าถ้าเราไม่สร้างความทุกข์ทางใจได้แล้วความเจ็บปวดทางร่างกายนี้จะไม่เป็นปัญหาอะไรกับใจใจจะรับรู้ได้ยิ้มได้อย่างสบายเจ็บแค่นี้โอ๊ยทนได้ไม่เป็นปัญหาอะไรนี่คือเรื่องของของนามขันรูปขันก็ก็คือร่างกายของเราส่วนสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นตัวที่ ทำงานเพื่อทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์สุขไม่ทุกข์ไม่สุขนั่นเองเมันมันก็ทำงานร่วมกันเช่นเราเห็นรูปแล้วเราไปแปลความหมายว่ารูปนั้นดีก็เกิดสึกเวทนาขึ้นมาถ้าเราไปเห็นรูปแล้วเราไปแปลความหมายว่ามันไม่ดีก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นม า, ท, าทันทีแต่ความจริงแล้วมันไม่มีอะไรดีหรือไม่ดีแต่มัน ความหลงมันจะไปแยกแยะเพราะความหลงมันไปตั้งตัวตนอยู่ที่ร่างกายถ้าอะไรมาทำลายร่างกายก็ว่ามันไม่ดีถ้าอะไรมาส่งเสริมให้ร่างกายก็ว่ามันดีเช่นกินอาหารก็ว่ามันดีถ้ากินยาพิษเข้าไปก็ว่ามันไม่ดีผู้ที่ว่าไม่ดีก็คือสัญญากับสังขารตัวนี้แล้วก็ทำให้เกิดเวทนาขึ้นมาเวลา กินอะไรที่ที่ว่าเป็นยาพิษขึ้นมานี่ก็ทุกข์ใจขึ้นมาทันทีทุกเกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อเกิดความทุกข์ก็อยากให้ความทุกข์นั้นหายก็ต้องรีบไปล้างท้องรีบไปทําอะไรแต่ถ้ายอมล่าว่าเกิดมาล้วต้องตาย เ, าเมื่อถึงเวลาแล้วถ้าผิดพลาดกินยาพิษเข้าไปมันจะตายก็ให้มันตายไปใจไม่ได้ไปอยากจะอยู่ต่อไปไม่อยากจะไปแก้อะไรมันปล่อยให้มันเป็นไปตาม เรื่องของมันมันก็จบจความทุกข์ก็ไม่มีในใจร่างกายก็ตายไปไม่ตายวันนี้มันก็ต้องตายวันพรุ่งนี้มันไม่มีวันไหนที่มันไม่ตายมันจะต้องตายสักวันหนึ่งเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราศึกษาแหล่งทองแท้และเข้าใจถึงใตรักถึงใตรักในในในขันห้าแล้วเราก็เราก็จะไม่วิตกเราก็จะไม่วุ่นวายใจ แต่เราก็จะดูแลไปตามอัตภาพถ้าเรายัางพอที่จะแก้ไขได้ก็แก้ไขไปแ้่ไม่แก้ไขก็ได้คนแก้ก็เท่านั้นไม่แก้ก็เท่านั้นแก้ก็ตายไม่แก้ก็ตายคือตายชา้าหรือตายเร็วเท่านั้นเองแต่ถ้าคิดว่าอยู่แล้วทําประโยชน์ได้ต่อไปก็ก็แก้ไปเพื่ออยู่เพื่อทําประโยชน์ถ้าคิดว่าอยู่แล้วไม่ได้ทําประโยชน์อะไรอยู่ก็ อยู่กับไฟก็เท่ากันก็ปล่อยมันก็ได้แล้วปล่อยมันให้มันเป็นไฟก็ได้นี่ก็ไม่ได้เป็นการฆ่า ต, ตัวตายสมมติเราไปกินสารพิษเข้าไปหรือถูก ง, งูพิษกัดแล้วเราอยู่ในที่ที่ไม่มียารักษาเลราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันในโรงพยาบาลก็ไม่ทันไม่มีรถไม่มีลาอยู่ในป่าอยู่กลางป่าก็ทําใจอย่างเดียว ใจก็อย่าไปทุกข์กับความตายอย่าไปทุกข์กับความเจ็บปวดให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงของมันใจก็จะไม่ทุกข์ทุกข์อยู่ที่กายคือความเจ็บปวดไม่ตัดอยู่ที่กายเทั้นเองมันก็จะไม่มาสร้างความทุกข์ทรมารให้กับจิตใจเพราะใจปล่อยวางใจไม่ได้มีความอยากที่จะหายาหาวิธีมารักษา ไม่ทุลนทุลายยอมรับความจริงถึงแม้จะมียารักษาได้รักษาให้หายในวันนี้มันก็ต้องไปเจอสักวันหนึ่งที่ไม่มียาชนิดไหนจะรักษาให้หายได้มันก็เป็นเพียงแต่การประวิงเวลาเท่านั้นเองเป็นการผัดเวลาของความตายให้มันเลื่อนออกไปหน่อยแต่ในที่สุดมันก็ต้องตาย ดันหลักใหญ่อยู่ที่ว่าต้องยอมรับความตายให้ได้ไม่ยอมรับความตายได้แล้วจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่สำคัญตายวันนี้ก็ได้ตายพรุ่งนี้ก็ได้เพราะยังไงงไงมันก็หนีไม่พ้นเมื่อเรามีความเห็นอย่างนี้แล้วการการดำเนินดาเนินชีวิตด้วยการที่การมีสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆนี้มันก็จะมันก็จะเปลี่ยนไปทันที จากการห่วงหวงกังวลยึดติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะไม่หวงไม่หวงไม่ยึดไม่ติดไม่กังวลกับอะไรกับอยู่ยังมีความสุขแล้วก็ไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการกับอะไรนี่ท่านเรียกวันนิโรธเนี่ยการดับทุกข์เมื่อทุกข์ดับแล้วก็มันก็ไม่หวงไม่หวงไม่กังวลไม่ยึดไม่ติดกับอะไร อะไรจะเป็นอะไรอย่างไรใครจะเป็นอะไรอย่างไรก็เป็นไปจะไปแก้ไขจะไปป้องกันก็ได้จะไม่ไปก็ได้ไม่สำคัญแต่ถ้าคิดว่าทำไปแล้วมันเกิดประโยชน์ก็ทำไปแต่มันก็ประโยชน์มันก็ไม่ดีเท่ากับประโยชน์ที่ได้จากการปล่อยวางแต่เราผู้ปล่อยวางแล้วทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ สำหรับผู้ที่ยังไม่ปล่อยวางนี้ไม่ทําไม่ได้จะต้องทำจะต้องพยายามแก้ไขอย่างสุดสุดกําลังจะต้องป้องกันอย่างสุดกําลังแล้วก็จะต้องทุกทุกอย่างสุดกําลังนี่คือการนี่คือภารกิจของของพระอริยสัจในพระอริยสัจสี่ทุกต้องกําหนดนี้ต้องศึกษาขันหะให้เข้าใจ ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขั้งอนัตตารูปเกิดแก่เจ็บตารูปต้องเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาความคิดุ่งคิดดีก็มีคิดร้ายก็มีนิญาจำจำผิดจำถูกก็มีจำในสิ่งที่ถูกก็เป็นมรรคเช่นมองว่าทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราถ้าจำอย่างนี้ได้ก็เป็นมรรค ถ้าจำว่าเป็นของเราเป็นตัวเรามันก็เป็นกิเลสมันก็เป็นสมุทยขึ้นมาดังนั้นเราต้องพยายามสร้างสัมมาทิฏฐิสร้างสัญญาที่ที่ถูกกับสัมมาทิฏฐิที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือเราต้องมาเปลี่ยนสัญญาเดิมถ้าเราคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเราต้องมาแก้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราลูกคนนี้ไม่ใช่ลูกเราพ่อคนนี้ไม่ใช่พ่อเรา แม่คนนี้ไม่ใช่แม่เราเป็นแม่ก็เพียงแต่สมมุติเท่านั้นเองต า, ามสถานภาพแต่ความจริงแล้วก็เป็นร่างกายเหมือนกันร่างกายของพ่อร่างกายของแม่ร่างกายของลูกร่างกายของเราก็เป็นเพียงดินน้ำมไฟมาจากดินน้ำมไฟแล้วก็จะกลับคืนสู่ดินน้ำมไฟไป น, นี่คือความหมายของทุกให้กำหนดรู้ให้ศึกษาให้มันเป็นสัมมาทิฏฐิ ให้มีความเห็นที่ถูกต้องเมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วมันก็จะไม่มีไม่มีความคิดที่ไม่ถูกต้องคือมันจะมีความคิดที่ถูกต้องก็คือไม่อยากไม่ไม่อยากไม่อยากในรูปเสียงเกิดแล้วไม่อยากมีอยากเป็นไม่อยากไม่มีไม่เป็นจะปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามความจริงตามความตามธรรมชาติ ถ้ามีพิจารณทิฏฐิว่าเป็นตัวเราของเรามันก็จะเกิดความอยากขึ้นมาทันทีอยากให้อยู่เป็นนานๆอยากไม่ให้เจ็บมไม่ให้แก่ไม่ให้ตายมันก็จะเป็นผลตามมาสมา ท, ทิิถึงมาก่อนเมื่อมีสมาธิสมาสังกัปโปคือความเห็นชอบความคิดชอบก็ตามมาคิดในทางที่ถูกคิดปล่อยวางคิดลดคิดละความโลภความโกรธความหลงความอยากต่าง ถ้ามีมิจฉาทิฏฐิก็จะคิดอยากจะมีมากยิ่งขึ้นอยากจะได้มากยิ่งขึ้นอยากจะเป็นใหญ่ขึ้นอยากจะอยู่หน้านยิ่งขึ้นอยากจะรวยมากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นความคิดของของที่ตามมาจากมิจฉาทิฏฐิมาต่อจะไปทําเวรทํากรรมต่อไปทําผิดศีลผิดธรรมพูเมฆพูดจากโกหกหลอกลวงทํากิจกรรมอาชีพที่ไม่ถูกต้อง ถ้าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนผู้อื่นมันก็จะเป็นผลตามมาแต่ถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วมันก็จะคิดไม่อยากไม่ร่วมไม่โกรธเวลาจะทำอะไรก็ต้องคำนึงว่าไม่ไปสร้างความเดือดร้อนไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่ไปพูดโกหกหลอกลวงผู้อื่นให้เขาต้องเสียอกเสียใจท้ออกั้อใจไม่ไปรรทำอาชีพที่ไปกระทบกับชีวิตของผู้อื่น อย่าบำเพ็งแต่สัมมาณธรรมจเจริญมากจเจริญสมาธิจเจริญสติให้มากๆให้จิตสงบให้มากจิตสงบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเมื่ออยากจะได้อะไรมากขึ้นไปเท่านั้นจดในที่สุดเมื่อสงบเตที่ด้วยปัญญาด้วยด้วยด้วยสมาธิปล่อยวางทุกอย่างไม่ยึดไม่ติดกับอะไรแล้วก็ไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรทโรคก็ปรากฏ ขึ้นมาเป็นที่ทุกต้องกำหนดรู้สมุทยต้องละวิโรฒต้องทำให้แจง้งมรต้องป้องบำเพ็ญให้มากในการบำเพ็ญจิตทั้งสีน่นี้ตัวที่ดำเนินการจริงๆก็คือตัวมรตนี้เองเพราะเวลาเราฟังเทศฟังธรรมเราจเจริญสัมมาทิฏฐิก็เท่ากับเรากำลังพิจารณาพุ๊บเอนเราก็ได้ยินแล้วว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา นี่ก็เป็นการกำหนดรู้ทุกแล้วรู้ว่าร่างกายรู้ว่าขันห้าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการได้ยินในฟังนี้เป็นการจุดเริ่มต้นของสัมมาทิฏฐิแต่ยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิที่ถาวรถ้าเราฟังแล้วเราไม่เอาไปเจริญต่อเราไม่เอาไปพิจารณาต่อพอเราออกจากศาลานี้ไปเราก็คุยกันเรื่องเก่าเรื่องจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปกันกินที่ไหนดีต่อ เรื่องสัมมาทิฏฐิก็หายไปเพราะมันเป็นเรื่องของการมรปัญหาขึ้นมาแล้วที่ไหนอร่อยีย้ก็เป็นเรื่องของการมรรคปัญหาแล้วถ้าจะกินก็กินกินตามมีตามเกิดที่ไหนมีก็กินเหมือนกับเติมน้ํามันเจอปั๊มไหนก็เติมมันเข้าไปน้ํามันเหมือนกันอย่างนี้มันถึงจะเป็นสัมมาสมมาทิฏฐิดังนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วขั้นต่อไปก็คือเราต้องเอาไปพิจารณาอยู่เรื่อยๆ จนกว่ามันจะเป็นภาวนาคือมันมันอย่างทาอย่างต่อเนื่องทุกลมหายใจก็ออกพระเจ้าสอนพระอานุ์ว่าต้องพิจารณาความตายทุกลมหายใจก็ออกเนี่ยก็หมายถึงว่าให้พิจารณาทุกนี่แหละให้พิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขานยิญญาว่ามีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับเป็นธรรมดาไม่ใช่ฟังแต่ตอนนี้แล้วก็พอออกจากที่นี้ก็จบ ถ้าอย่างนี้แล้วก็จะไม่ได้รับประโยชน์เหมือนกับฟังเข้าหูซ้ายแล้วก็หูขวาไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในใจเลยไปแล้วก็ยังมีมิจฉาทิฏฐิเหมือนเดินยังอยากจะสวยยังอยากจะงามเปน็นนานานยังไม่อยากแก่ยังไม่อยากเจ็บยังไม่อยากตายอยู่ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ได้เจริญสัมมาทิฏฐิปล่อยให้มิจฉาทิฏฐิเขาทำหน้าที่ของเขาต่อไปอย่างสบาย งั้นถ้าเราอยากจะก้าวสู่ให้พ้นสู่อริยสัจสี่นี้ซึ่งเป็นเหมือนกุญแจที่จะพาให้เราเข้าสู่พระนิพพานหรือเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างวัฏจักรกับพระนิพพานถ้าอยากจะออกจากวัฏจักรของการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องผ่านพระอริยสัจสีต้องปฏิบัติ กิจในพระอริยสัจสี่นี้ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ก็คือการเจริญมรรคนี้เองมรรคต้องเจริญให้มากเจริญให้ครบให้บริบูรณ์เพราะเมื่อเจริญครบถ้วนนะก็จะเท่ากับได้กําหนดทุกในละสมุทัยได้ทําไดโรวดให้แจ้งตัวมรรคนี้เป็นตัวทํางานเมื่อเจริญมรรคแต่ให้ครบถ้วนบริบูรณ์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสัมมาทิฏฐินี่แล้ว มันก็จะพาไปสู่การกําหนดการศึกษาทุกศึกษาขันห้าพิจารณาตายลักในขันห้าเมื่อเห็นแล้วก็จะละสมุทัยได้ไม่ฝืนไม่อยากแกไม่อยากจะอยู่ไปนานๆยอมรับความจริงแก่ก็แ ก, แก่เจ็บก็เจ็บตายก็ตายก็จะไม่ก็เท่ากับละสมุทัยไปในตัว เมื่อละสมุทัยแล้วเนรโรดก็ปรากฏขึ้นมานรโรดก็แจ้งทําให้แจ้งแล้วทั้งหมดนี้อยู่ที่การเจริญมรรคนี้เองกิดจุดเริ่มต้นก็อยู่ที่การศึกษาฟังเทศฟังธรรมพรอพุทธศาสนาเริ่มต้นก็เริ่มต้นที่การแสดงธรรมนี้สแสดงให้กับพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้านั่นกําลังสแสดงสัมมาทิฏฐิผู้ฟังก็กําลังเจริญสัมมาทิฏฐิพอจเจริญแล้วก็นําไปสู่ ทั้งมาสังกโปพระอัญญาณกลทัญญะก็ไม่ไม่ฝืนความแก่ความเจ็บความตายยอมรับความแก่ความเจ็บความตายพระวจาก็ส่งตัดว่าอัญญาณกลทัญญะเธอเห็นแล้วเนี่ยยอมรับยอมรับความจริงนี้แล้วเธอเห็นแล้วว่าเธอเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและเธอก็ไม่หวั่นไหวกับมันเธอสู้มันยอมรับมันได้ ไม่ไม่ฝา่าฝืนพูดง่ายๆไม่เกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายขึ้นมา ก, ก็บรรลุทำได้ ท, ทันทีพอมีสมาทิฏิปัสามมาสังกัปปวามาปั๊บมันก็ละสมุทัยได้พอละสมุทัยได้ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บกลัวความแก่ความเจ็บความตายมันก็จะหายไปหายไปมันก็หายทุกเนี่ยมันเกิดขึ้น อยู่ตรงนี้เกิดขึ้นที่การฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นําออกไปพิจารณาต่อถ้าพิจารณาเดี๋ยวนี้ทําใจได้เดี๋ยวนี้ก็บรรลุได้เดี๋ยวนี้ถ้าลองตัดความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไปได้คือไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายได้ก็บรรลุได้ตรงนี้เลยยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายยอมเสียทุกอย่างมีอะไรจะเสียก็เสียไปเสียลูกก็เสียไปเสียสามีก็เสียไปเสียภรยาก็เสียไป เสียงานเสียการเสียตาแหน่งอะไรก็เสียไปทุกสิ่งทุกอย่างต้องเสียอยู่แล้ววันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วทำทั้งปวงมิทำบรรดที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะปล่อยวางได้ปล่อยวางได้มันก็บรรลุได้ทังที่มันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ใจบรรลุที่ใจมันไม่ได้รุที่ไหนมันไม่ได้บรรลุที่ไหน บรรลุด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยสัมมาสังกัปปะนี่แหละคือคืองานที่พระพุทธเจ้าส่งมอบไว้ให้กับพวกเราพุทธบริษัทสี่ไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาไม่สําคัญงานนี้ทําได้ด้วยกันทุกคนไม่แมวหญิงไม่ว่าชายว่าไม่ว่าเป็นคารวาสหรือเป็นนักบวชอยู่ที่ หลักใหญ่อยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นถ้ามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในผู้ใดก็ตามผู้นั้นย่อมมีสิทธทิจะรับผลของการปฏิบัติได้อย่างแน่นอนนี่แหละคือความสำคัญของวันอาสาฬหาบูชาอยู่ตรงนี้การที่เรามีความวันสำคัญต่างๆให้เราล่ำลึกถึงนี้ก็เพื่อที่จะ เดินสติให้เรารู้ถึงหน้าที่ที่แท้จริงของเราว่าเราต้องทำอะไรหน้าที่ของเราก็คือปลดเปื้องใจของเราให้พ้นจากความทุกข์ในใจของเราตอนนี้ถูกมิจฉาทิฏฐิความเห็นเิดครอบงำทาให้เราเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาทำให้เกิดความทุกข์ต่างๆตามมาเพราะว่าเรา ไม่ได้ดูแลรักษาใจเราเรากลับไปดูแลสิ่งอื่นดูแลสามีดูแลภรรยาดูแลลูกดูแลสมบัติดูแลความสุขต่างๆในโลกนี้เมื่อเราไปดูแลสิ่งเหล่านั้นมันก็เท่ากับเราปล่อยปะแล้วเลยการดูแลใจของเราใจของเราก็เลยถูกอำนาจของความหลงนี้สร้างความทุกข์ให้กับเรา เราต้องหันมาดูที่ใจเราดูว่าใจของเราตอนนี้เป็นอย่างไรสงบหรือวุ่นวายถ้าวุ่นวายก็แสดงว่าใจกำลังหลงยังวุ่นวายกับเรื่องนั้นก็หลงกับเรื่องนั้นไม่เห็นตายรักในเรื่องนั้นเ็าต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็นตายรักแล้วก็ปล่อยวางอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะเป็นก็เป็นเขาจะไปก็ไปเขาจะอยู่เขาจะมาก็มารับได้ เขจะจ้างเราไปก็ไปเขาจะมาฆ่าเราว่าให้เขามาถ้าเราหนีไม่ได้หนีไม่พ้นก็ก็ให้เขาฆ่าไปกรรมบางทีมหนหนีวันนี้ได้พรุ่งนี้มันก็ตามมาใหม่ได้เป็นกรรมมันเป็นอย่างนี้แม้แต่พระอรหันต์ท่านก็ไม่หนีท่านก็ยอมให้เขาฆ่าตายท่านก็มนีพระพุทธเจ้าก็ไม่หนีพระเทวทัตส่คนมาฆ่าท่านก็ฉลาดท่านใช้ปัญญาสอนคนที่มาฆ่าให้เห็นโทษของการฆ่า จนเขาเปลี่ยนใจไปแต่ท่านไม่กลัวตายถ้าท่านรู้ว่าถึงเวลาจะต้องตายท่านไม่หนีหนียังไงก็หนีไม่พ้นมันเหมือเงาตามตัวแล่จใจท่านไม่ทุกข์กับมันอันนี้ต่างหากที่สาคัญท่านดูายใจด้วยการปล่อยวางทุกอย่างยอมให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเรื่องของมัน เมื่อถึงเวลามันจะเป็นไปก็ลปล่อยให้มันเป็นไปท่านไม่ยึดไม่ติดกับอะไรไม่อยากกับอะไรท่านมีสัมมาทิฏฐิคอยเตือนใจอยู่ตลอดเวลาท่านรู้ว่าการอยากนี้กลับเป็นการทำลายใจของตนเองให้ให้ทุกขึ้นมาโดยไม่จำเป็นความทุกข์ของใจนี้มันทรมานยิ่กับความตายแต่เราไม่รู้กัน ความตายนี่เหมือนกับเข็มฉีดยาฉ็มฉีดยาบางคนนี่กลัวแล้วเกินกลัวกลัวฉีดยาความกลัวนี่เหมือนกับทุกข์มากกว่าเข็มฉีดยาเข็มฉีดยามันจิ้มเข้าไปจิ้บเดียวทั้งนั้นเองมันก็จบแล้ะความตายมันก็เพียงแต่ไม่หายใจปับมันก็จบแล้ะไม่เหมือนไปนยากเย็นตรงไหนเลยแต่กลัวกันเหลือเกินเพราะความหลงะลองพิจารณาดูความตายมันก็อยู่แค่หายใจนี่แหละ หายใจเข้าไปไม่หายใจออกมามันก็จบหายใจออกมาแล้วไม่หายใจเข้าไปมันก็จบมันก็มีแค่เสี้ยววินาทีเดียวในความตายมันไม่ได้ยืดยาวอะไรเลยไอ้ที่มันยืดยาวก็คือเวทนาความเจ็บปวดเท่านั้นเองอันนี้เราก็ฝึกไว้สินั่งสมาธิเป็นนานๆให้มันทนกับความเจ็บไปได้ต่อไปมันจะเจ็บขนาดไหนก็ปล่อยมันเจ็บไปเจ็บไปตัวนี้ถ้ามันหยุดเจ็บลมหายใจมันหยุดมันก็จบก็ทํานี้เอง ถ้าพิจารณาถึงถึงขั้นตอนของความตายแล้วมันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยแต่เราไม่กล้าพิจารณากันกลัวกันแค่ไม่กล้าพิจารณาว่าเวลาตายเวลาเราจะตายมันจะเป็นยังไงลองพิจารณาดูมันก็เหมือนรอเข็มฉีดยาอ่ะหมอฉีเอามาเลยปักทิ่มเข้าไปปุ๊บเดียวฉีดเข้าไปจบละผ่านไปแล้วเวลาตายมันก็ปั๊บเดียวมันก็ตายไปแล้ว มันไม่ได้ตายนะแล้วความเป็นความตายมันแค่เสี้ยววินาทีเดียวได้ไหถ้ายังไม่ตายก็ยังเป็นอยู่ <laughs> <laughs> ถ้าไม่เป็นมันก็ตาย <laughs> <laughs> ไม่ <laughs> <laughs> ตอบควานี้จบอย่างง่ายๆ <laughs> นะตัวเองไม่ดุจทางท่านอาจารย์ไม่ชี้แต่ว่าเมื่อวแต่ว่าไม่รู้จจท่ า, า, านอาจรย์เ็นยังไงว่าการของท่านอาจารย์ยังยังไงหน้าที่ยื่ต้องทำทีท่แม่ก็ทาอยู่ไม่ใช่ว่าให้วางลงไปทั้งหมดหรือความเมตตานี่ก็ยังคงมีอยู่อยากให้ท่านอาจารย์อธิบายตรงนี้จะได้รูปแบบอธิบายแล้วเขาก็คงจะคือคือคนอ่านเขาบอกว่าท่านอาจารย์ไม่ทําอะไรเลยซึ่งไม่ใช่ไม่ทําทางใจให่ปล่อยวางทางใจ ก็ให้ใช้ปัญญาทุกปัญญาความเหมาะสมมาทำอะไรได้ก็ทําไปเถื่อนเหลือใครได้ก็เถื่อนไปสงฆ์เขาไปได้ก็สงฆ์เขาไปไม่ได้นแต่คนเราก็ชอบที่อย่างเนี้ยมันที่เหลืมันชอาไปเกดตรงเราบอกว่าให้ปล่อยวางก็คิดว่าไม่ต้องทําอะไรเลยก็ไม่ทําอะไรก็อย่าไปกินข้าวเลยทำไมทาไมเรื่อมทํำอ่ะถ้าเริ่มกินยังกินอยู่ยังหายใจอยู่ ฟังมันต้องใช้ปัญญาวิเคราะนหน์หท่านันฟังแบบเอาเอาสีข้างฟังไม่ได้เอาหูฟังเข <c oughs> ้าใจไหมเอากิเลสฟังไม่ได้เอาปัญญาฟังฟังมันก็ต้องวิเคราะห์ได้เหตุด้วยผลที่ทพูดนี้กำลังพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องใจเรื่องปัญหาของใจที่ไปวุ่นวายไปทุกขกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้ปล่อยวางเรื่องนั้นแต่เรื่องที่ไม่ทุกข์เรื่องที่มีหน้าที่ต้องทําก็ทําไปเรื่อย ยังต้องทำหมากินยังต้องหายใจยังต้องอาบนะ้ำต้องกินข้าวก็ทําไปไม่ได้บอกไม่ให้ทำทุกอย่างใช่ไหไม่ให้ทำในเรื่องที่มันขา้างความทุกข์ใกับเราก็คืออยากไปอยากอยากไปอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากอะไรท่างๆนีน่คือความหมายของการให้เป็นอุบเบกขาเมื่อกี้เทศมาต้องตลอดล้วก็พูดแต่เรื่องนี้อยู่แล้ว<ต>นะครับ ใ, ให้เป็นอุบเบกขาทางใจให้ใจอยู่ระหวา่างความความ ความอยากกับความไม่อยากออยากก็ไม่ใช่ไม่อยากก็ไม่เฉยเฉยเป็นความตายก็ไม่อยากตายแต่ก็ไม่กลัวตายแต่ก็ไม่กล้าตายถ้ายังไม่ตายก็ขออยู่ไปก่อนแต่ถ้าถึงเวลาตายก็ไม่ขออยู่อเวลาตายก็ให้มันตายไปเวลามันอยู่ก็อยู่ไปนี่ต้องหาคือพูดใจอีกร้อยครั้งมันก็ไม่เข้าใจละถ้ามันไม่ปฏิบัต มัอนพูดถึงเรื่องทุเรียนนะ่ยคนว่าพอพูดถึงทุเรียนบางคนก็พี่ว่าเอาเขามาจากในเคร่องเลยใช่ไหกลิ่นแรงเคยก็ห้ามขึ้นเครื่องดินนี้ยให้ทุเรียนเน่เพราะคนก็ไม่เคยสัมผัสกับรสชาติเหขอครับเลหลรั่งบางคนกินแล้วไม่ติดใจเลนะก็เหมือนกันหละการสังเทศสังรำพอพูดบ่อให้ปลอดลายนันก็คิดไปในศารานาโลกโลกให้ปล่อยทุกอย่างไม่ทำอะไรเลย ไม่เมตตาเลยไม่กลายเป็นคนใจเจื่อยใจดําใจไม้ไส้ละกรรมไปเลยคิดอย่างนั้นคิดตามภาษากิเลนไงหรือถ้าบอกว่าไม่มีตัวตนก็ไปฆ่าเขาได้อันนี้ก็ไม่มีตัวตนมีคนเคยถามปัญหาหลวงตาว่าอาถ้าทุกอย่างไม่มีตัวตนแล้วก็ฆ่าเขาได้เพราะเราไม่ได้ฆ่าใครเนี่ยหลวงตาก็บอกไปฆ่าก็เสียแล้วดูทํานหลวนมันจะจับหรือเปล่า คือมันมีทั้งความจริงสองระดับไงเพราะเลยสมมุติความจริงในสมมุติกับความจริงที่วิมุตตี่ยความจริงของวิมุตต์มันไม่มีตัวตนมันเป็นดินน้ำลมฝ่แต่ความจริงในสมมุติเขามีตัวตนเขามีเจ้าของมีผัวมีสามีไปลองไปยุ่งกับสามีภรรยาใครดูเลยเดี๋ยวก็ดอนกระทืบอ่ะใน่ไหมเอี๋ยวบอกไม่มีเป็นของใครได้ที่ไหนมันต้อเข้าใจทอนจริงของทั้งสองระดับ ความจริงทางโลกมันก็เข้าใจกันอยู่แล้วถึงไม่พูดถึงเนี่ยแต่ก็เชอบเราความจริงทางโลกมาโยงกับความจริงทางทางธรรมเสียมันก็เลยสับสนกันไปหมดเอาก่อนใครจะถามปัญหามีไหมนะจะได้ประโยชน์สำหรับคนที่ฟังทางบ้าน ถ้าใครอยากถามอะไรก็เอาไม่ไปพูดจะได้เวลาเขาฟังใครอยากจะถามปัญหาก็ยกมือขึ้นแล้วก็เอาไม่ไปพูดหรือพอมีพอมีไม่แล้วอายก็ไปก้า เดือนที่แล้วตอนที่ว่าปีที่แล้วลูกไม่สบายเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วมันมีความรสึกว่ามันไม่มีแรงเลยนะคะทำอะไรปกติเคยทาอะไรได้คอแค่วอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามทำใจอย่างที่ที่อาจารย์ว่าทำใจไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราเคยทำอะไรได้ออกไปไหนมาไหนไม่ได้อย่างเงี้ยนอนโซนหรือแต่านล็กเอาไหญ ได้ถ้อสอนมาต้องสามตีแล้วไม่ไม่เอาไปฝึกแล้วไม่เอาไปปฏิบัติเลยเอี่ยเ่อยู่บ้านนั่งสิหันนั่งสมาธิเยอะๆเข้าคนส่วนให ญ, ญ่คิดว่าไว้เวลาใกล้ตายแล้วขึ้นมาทําก็ทําไม่ได้เช่นคนบอกว่า เ, าเวลาตายแล้วคิดแต่สิ่งที่ดีๆคิดแต่พุทโธพุทโธมันคิดได้ที่ไง ขนาดไม่ตายขนาดเป็นปกติอย่างคิดไม่ได้เลยและขนาดที่มันเจ็บปวดด้วยแล้วทั่วร่างกายมันจะไปคิดถึงอะไรได้มันก็จะคิดแต่อยากจะให้ความเจ็บปวดนั้นหายไปเท่านั้นเลยยิ่งคิดอยากให้มันหายมันก็ยิ่งทุกข์ใหญ่มันก็ยิ่งทรมานใหี่ยเราต้องฝึกก่อนที่มันเหตุการณ์จริงจะเกิดขึ้นเหมือนกับทหารที่ต้องซ้อมรบอยู่เรื่อยเพราะเราไม่รู้ว่าข้าศึกศัตรูจะบุกมาเมื่ อ, อไหร่ เราจะมาบอกว่าไว้รอให้รู้ก่อนแล้วเขาจะมาบุกเมื่อไหร่แล้วค่อยมาซ้อมกันนี่มันก็เข้าก้าเข้าก้าเขาไปวิหารไปแล้วเนี้ยเราต้องซ้อมอยู่เรื่อยเตรียมตัวไว้ก่อนเตรียมตัวเนี่ยพิจารณาทุกไว้เรื่อยๆเนี่ยขันห้าเกิดยาเจ็บตายขานเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องท่องคอย พิจารณาแล้วคอยซ้อนมันฝึกซ่อนมันนั่งแล้วให้มันเจ็บแล้วก็อย่าไปดูไปความเจ็บมันหายไปเองวิธีที่จะไม่ไปยุ่งกับความเจ็บก็มีสองอุบายอุบายของสมาธิก็สวดมนไปด้วยพุทโธไปอย่าไปสนใจกับความเจ็บปล่อยมันเป็นไปถ้าเราไม่ไปสนใจมันแล้วเดี๋ยวความทุกข์มันไม่เกิดขึ้นในใจมันก็จะรู้สึกว่าความเจ็บนั้นไม่ค่อยรุนแรง ที่มันรุนแรงที่มันขยายจนกระทั่งทนไม่ได้ก็เพราะความทุกข์ในใจความทุกข์ทร ม, มานใจที่อยากจะให้ความเจ็บนั้นหายไปแต่ถ้าเราไม่มีเวลาที่จะมาคิดอยากให้มันหายไปเพราะราโมตัส่วนมนุ์ละโมต่ดพุทโธอยู่อย่างนี้มันก็จะไม่สร้างความทุกข์ที่เกิดจากสมุทยัยที่ทรมานที่รมมุนแรงกว่าความเจ็บของร่างกายมันก็จะรู้สึกเฉยๆพอทนได้เหมือนกับเขียนีบยาเนี้ มันก็จะทนได้แล้วดีไม่ดีมันก็จะหายไปก็ดีถ้าจิตสงบลงบางทีมันไม่รับรู้ความเจ็บปวดของร่างกายเลยมันตัดความรับรู้ชั่วคราวนี่เป็นอุบายของสมาธิถ้าอุบายของปัญญาก็พิจารณาความเจ็บของร่างกายว่ามันเป็นธรรมดามันเป็นเวทนามีเจ็บไม่เจ็บสลับกันไป ถึงเวลามันเจ็บก็ต้องให้มันเจ็บถึงเวลามันไม่เจ็บมันก็มันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกับฝนเหมือนกับฝนฟ้าอากาศเวลามันตกเราก็ห้ามมันไม่ได้อยากให้มันหยุดก็ไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้มันหยุดขึ้นมาเราจะทรมานใจขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเรามันตกไปเรากลับชอบมันก็ได้เออเย็นสบายไม่ต้องทำอะไรนั่งเฉย คนงานก่อสร้างวัน <edits> ท <family shit> <ingo> ีก็ชอบเวลาฝนตกก็ไม่ต้องทำงานแต่คนที่อยากจะออกไปเที่ยวนี่ไม่ชอบแต่งตัวสวยๆเดี๋ยวโดนฝนหน่อยแล้วหน้าตาเปรียกปอนต้องไปแต่งหน้าใหม่เสียเวลาก็จะไม่ชอบขึ้นาก็จะทุกข์ใจขึ้นมาเนี่ยคือการพิจารณา ด้วยปัญญารับพิจารณาแล้วยอมปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเเราก็จะไม่วุ่นวายใจเราก็จะเราก็จะมีความสุขท่ามกลางความทุกข์ของร่างกายความเจ็บปวดของร่างกายร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีไม่ต้องทํางานมีคนเอาอาหารมาให้กินเอาน้ํามาให้ดื่มมีแต่นอนรออย่างเดียว ต้องสึกอยู่เรื่อยๆเนะต้องอย่าอย่าประมาณเนะี่ยเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเจ็บไข้แลตป่วยขึ้นมาเมาื่อไรเมื่อมันถ้าเราสึกตัอมอยู่เรื่อยๆเนะียพอถึงเวลาเราก็สบายไม่วุว่นวายัรสการค่ะท่านาจารย์เที่ที่บ้านมีโยมนะคะที น, นงต่อหัวเสืออยู่ ก็มีแต่คนแนะนาว่าให้แค่ออกไปเพราะว่าไม่ได้นจะอันตรายมากแต่พอเราฟังขั้นตอนการที่ว่าจะเอาเขาออกไปแล้วเราเข้าใจไม่ได้นะแค่ก็ได้การคนต่างอยู่ขอเขาอ่าก็ดีถ้าทาอย่างนั้นได้ก็ดีถ้าก็ไม่ก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาแล้วกันตัวเองแค่คิดว่าคนต่างคนต่างอยู่ไปแล้วก็ไปไหนได้เนอ ทำยังไม่ได้ก็ไม่เป็นเวรเป็นกรรมกับเขาคือจิตใจของคนแต่ละคนมันไม่เท่ากันบางคนเขาทนทรมานอยู่กับมันไม่ได้เขาก็ต้องยอมเขายอมทำบาปเพื่อที่จะปลดเปื้องปัญหาในปัจจุบันแต่เขาลืมไปว่าผลของบาปนี่มันจะมีตามมาในอนาคตต่อไปต่อไปเขาอาจจะไปเป็นแดนแล้วถูกคนเข้ามาขับไล่สายส่งทาลายบ้านของตนก็ได้ แต่ถ้าเราไม่ทําลายเขาต่อไปข้างหน้าเราก็จะไม่มีใครมาขับไล่สาย ส, ส่งทําลายบ้านของเราพำไมเราคิดมุมกลับบ้างว่าเวลาเราทําลายกับใครแล้วมันก็จะกลับมาหาเราได้เช่นเดียวกันถ้าเราอยู่ด้วยกันได้ก็ดีถ้าเราทําใจได้นี่ก็แสดงว่าเราก็มีจิตที่เป็นกุศล ม, มีสัมมาทิฏฐิไม่คิดเบียเดเบียนซึ่งกันและกัน ในบางอย่างไว้คนอื่นก็จะพูดยังไงนี่เราไม่ต้องไปสนใจเราเอาความถูกต้องเอาศีลธรรมมาเป็นหลักยึดดีกว่าเช่ mm hmm. นพระเวสสัดนดรถ้าไม่ฟังกันนะถ้าท่านฟังคนอื่นท่านก็คงจะเสียสะละอย่างที่ท่านเสียสะละไม่ได้ mm hmm. ถ้าท่านเสียสะละอย่างนั้นไม่ได้ท่านก็จะมาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เราก็เหมือนกัน ต่อไปเราจะก้าวขึ้นสู่อริยะมรรคอริยะผลได้เราก็ต้องเราก็ต้องยึดคุณธรรมเป็นหลัก ย, ยึดความถูกต้องเป็นหลักอย่าเอาความถูกใจเป็นหลักความถูกใจเราไปทําบาปทํากรรมไปสร้างเวรสร้างกรรมเราก็จะวนเวียนอยู่กับการใช้เวรใช้กรรมไปอยู่เรื่อย เมื่อกี้ก็มีคนมาถามว่าแล้วถ้าปลวกมันขึ้นบ้านจะทำยังไงมันก็มีสองวิธีก็มีมีบริษัทมีคนที่เข้าบริการกําจัดเขายินดีที่จะทําหน้าที่นี้เขาเสนอมาเราก็บอกให้เก็เราก็บอกให้เขามาทํานี้เราเราไม่เท่ากับเราไม่ได้ไปสั่งเขาถ้าเขาอยู่ดีดๆก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วเราไปสั่งเขานี่ไปอย่างแต่นี่เป็น เป็นเป็นความพอใจของเขาที่เขาจะทำนี่ก็คิดในในในระดับของจิตที่ต่ำหน่อยถ้าจะคิดในระดับจิตที่สูงหน่อยก็คือเขาปล่อยให้มันกินเลยกินหมดจะได้สร้างบ้านใหม่จะได้บ้านหลังใหม่แต่อย่างนี้ก็เป็นจิตที่สูงก็ได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่ว่าระดับจิตของแต่ละค น, น, นจะอยู่ตรงไห น, นของดูก็มีประสบการณ์เนะ่เรียนที่แล้วค่ะทางบ้านเขาดีต่อเขาเขาไม่เห็น แต่ที่บ้านพี่ก็ไปบอกเห player, มือนจะร้ายถ้าวางนี้หนึ่งเขามันจะต่ออยู่ไปตอร่างกายดยมีเจตนาที่จะให้เขาทำร้ายก็เราไม่ได้สาห้ก็ทํร้ายเราเพียงแต่บอกเขาถึงภัยของตั ว, ต, วตัวนั้นเท่านั้นเองได้ก็จะไปทํำนี้หนึ่งก็เป็นเรื่องของเขาูวาคนก็อยู่ที่เจตนาว่าเราพูดเพื่อ เพื่อทำลายและเพื่อเพื่อรักษาเพื่อเพื่อดันกระดองตัวสนิท<ป><ป> ก, ก็คือแสงถ้าเรามีเจตนาอยากจะให้ไอ้ลังต่อเนี่ยมันถูกทำลายไปแต่เราไม่กล้าทำเองเราก็ออกอุบายพูดแบบนี้ <c oughs> ถ้าอย่างนี้ก็ถ้าอย่างนี้ก็บาปอยู่อยู่ที่เจตนาเป็นหลักว่าบางทีเกิดขึ้นจะความกลัวสาริษัท ก็า น, านันะก็วิภาวะาตัณหาวิภาวะตัณหาไม่อยาก่าออไม่อยากให้มันกนารเวาจอาวาอะ อ, อุบายอะก็จะลนอทีนี้บอาจารย์ท่านมีอุติทิวัดเนี่ก็มีปวกขึ้นกันส่วนใหญ่ท่านก็ไม่ทำอะไรใช่ั้ยครับท่านาก็คง<ต> อ, อ, อย่างนั้นถ้ายางนอกจากมีลูกสิธิ์เขาเขาทนดูไม่ได้บางทีเขก็มาช่วยเขาก็มาช่วยกำจัดท่าก็มีเพราะว่ามา ที่เกิดขึ้นแล้วก็ความทุกข์งใจนเกิดขึ้นจากการเวลาทำระเวลานี่ร่างกายันมันม้นมันปนเปกันในระหว่างระหว่างตัวร่างกายกับจิตใจปนกันอยู่งนี้แยกไม่ค่อยออกแต่สนใจเราเลจับว่ามันเป็นเป็นตัวร่างกายแต่มันไม่ชัดเจนว่าจิตใจมันลบเงินยังไงมันไม่ชัดเจนเพราะว่าปัญญาเรายังไม่ไม่ทัน กำลังของปัญญานี้ยังไม่สามารถที่จะแยกแยะความทุกข์ของสองส่วนออกจากกันได้เพราะมันเกิดขึ้นพร้อมกันทันทีพอเกิดความเจ็บปวดทางร่างกายปั๊บก็เกิดสมุทไทยความอยากความกลัวความเจ็บปวดนี้ขึ้นมาขึ้นมาทันทีรือเพียงแต่หมอบอกจะฉีดยาเท่านั้นยังไม่ทันฉีดเลยความกลัวเข็มฉีดยามันก็มาก่อนแล้ว แต่มันละเอียดมันถ้าเราไม่คอยดูที่ใจด้วยปัญญาเราไม่สังเกตดูใจเราเราจะไม่รู้ว่าเราทุกข์ละเราไม่รู้ว่าเราเกิดสมุทัยล้ะเราหน้าเบะละเราหน้าหน้าหน้าไม่ยืดเยื้อนละเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะไม่ดูใจเราเราจะดูสิ่งภายนอกสิมากกว่าเราดูอะไรแล้วเราดีใจเสียใจในี้เราไม่รู้สึกตัว ไม่รู้สึกว่าเราดีใจแล้วเสียใจแล้วเรากลัวแล้วเรารีบไปทําทันทีเลยพอกลัวตัวแตงก็รีบไปไปหาวิธีกําจัดมันทันทีเลยพอเห็นปั๊บก็ไปแหละมันไปอย่างรวดเร็วตอนที่ความทุกข์ทางใจมันเกิดขึ้นแล้วความกลัวนี่มันก็เป็นความทุกขนะ์อีกกลัวจะถูกมันต่อยกลัจะมีมีมีปัญหาเกิบขึ้น แต่ถ้าเราภาวนาะแล้เรามีสติดูใจอยู่เรื่อยๆพอเราเริ่มภาวนาเนี่ยเราจะเริ่มมีสติแล้วเมื่อมีสติมันก็จะเริ่มเห็นใจมันก็จะเริ่มเห็นอะไรต่างๆที่มีอยู่ภายในใจขึ้นตามลําดับของกําลังของสติแล้วยิ่งถ้าเราพอเราได้ยินใน้ฟังเรื่องของปัญญาเรื่องของสมุ ท, ทยัยพอเกิดอาการอยากขึ้นมาเราจะเริ่มเห็นทันที เราจะรู้ว่าอ๋อเราเริ่มเกิดความอยากแล้วนะเห็นเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็เกิดอยากได้ขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าอาการของเรานี่มันเริ่มจะก่ะเพิ่มละมันไม่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่เป็นปกติแล้วเร่มมีอาการที่จะ อ, อะไรอยู่ไม่เป็นสุขแล้วแล้วแต่แต่ถ้าเราไม่มองเราจะไม่รู้ เราจะไม่รู้สึกตัวว่าเราอึดอัดรออะไรเราจะรีบพยายามระบายความรู้สึกนั้นทันทีเป็นบางทีก็ต้องลุกไปถ้านั่งอยู่ก็ต้องลุกไปถ้าอยากจะทําอะไรในขณะนั้นก่อนนึกขึ้นได้ว่าอ๋อลืมปิดประตูบ้านลืมปิดเดินเดินกุญแจไว้ในรถนี้นั่งฟังเทศฟังทําอยู่พอนึกถึงได้ว่าโอ๊ยเราลืมเอากุญแจเที่ยงในรถกลัวรถหายเนี้ยมันนั่งไม่ได้นะ ที่มันรีบลุกไปนะมันเกิดความกลัวกลัวความเสียดายความห่วงถของตนกลัวจะรถจะหายไปมันก็เป็นความทุกข์มันก็เป็นความอยากขึ้นมาแต่บางทีเราไม่รู้อะเราก็ลุกไปแต่ถ้าเราคิดว่าการฟังธรรมในขณะนั้นมันสำคัญกว่ารถยนต์ถ้ามันจะหายก็ให้มันหายไปใจเราก็สงบเราก็ฟังธรรมได้ต่อ เราเราดับด้วยปัญญาว่ามันจะไปก็ไปหาใหม่ก็ได้ได้รถใหม่ดีกว่ารถเก่าแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ได้ดูที่ใจเราเป็นพอใจเราเป็นอะไรมันจะสั่งการออกมา ท, าทันทีเราจะเราจะไหลไปตามคำสั่งทันทีโดยไม่รู้สึกตัว <c oughs> มารู้สึกตัวอีกทีก็เมื่อเกิดเรื่องเกิดราวแล้ว มาเสีย อ, อกเสียใจที่คนไปทะเลาะวิวาดไปทุบไ ป, ปตีกันนั้นก็ไปแบบไปมีสติพาไปถ้ามีสติพาไปรู้มันจะหยุดแล้วมันต้องรู้แล้วว่าไปแล้วมันมันมันเสียมากกว่าได้ความเสียหายมันจะมากกว่าได้สิ่งที่ได้ก็คือความสบาใจความพอใจทั้งนี้แม้เขามาว่ามาด่ามาว่าเราเราก็ต้องไปด่าไปว่าเขาหน่อยก็ได้แค่นั้นเอง แต่ผลเสียก็คือเขาก็ด่าเรามากขึ้นว่าเรามากขึ้นแล้วดีไม่ดีเขาก็ทุบตีเรามันก็แต่ถ้าเราใช้ปีติพอเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาปั๊บเราก็บอกตัวเอง ว, ว่าเอยกำลังกำลังโกรธแล้วนะกำลังไม่พอใจนะแล้วถ้าเราเคอยฝึกสอนใจเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่ามันจะนำพาไปสู่ปัญหาต่างๆตามมาอีกถ้ารู้แค่นี้ล้วก็ เราก็เราก็ระ ง, งับความอยากนี้ได้ถ้าเราเจริญสติอยู่เรื่อยๆบำเพ็ญภาวนาอยู่เรื่อยๆต่อไปเราจะเห็นอาการต่างๆภายในใจเวลาที่มันปรากฏขึ้นมาเราโลค ก, ก็เห็นเวลาโกรธก็เห็นแล้วถ้าเราเจริญปัญญาพิจารณาถึงโทษถึงคุณของการกระทําที่จะตามมาต่อไป เราก็มีทางเลือกเราก็จะรู้ว่าจะเลือกทางใดถ้าออกไปโต้ไปตอบเรื่องก็ยาวมันก็ไม่จบเป็นเหมือนน้ำพึ่งหยดเดียวถ้าเราหยุดนิ่งเฉยเสียบ่อยไปะเรื่องมันก็จบอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าไม่ได้ฝึกสติแล้วมันไม่มันไม่มีทางที่จะรู้มันก็จะไปโดยอัตโนมัติ พอใครมาสร้างปัญหาปั๊บก็จะต้องไปจัดการกับคนนั้นทันทีไปคุยไปอะไรก็สุดแท้แต่แทนที่จะมาแก้ปัญหาที่แท้จริงคือในใจเราคือความลำคาญใจความไม่พอใจเรากลับไปแก้คนที่เขาเป็นคนมาจุดชนวนเรามีเชื้ออยู่แล้วใน ใ, นใจของเราถ้าเราทําลายเชื้อแล้วต่อให้ใครมาจุดจ จุดชนวนยังไงมันก็ไม่ติดจุดเชื้อจุดไฟยังไงมันก็ไม่ติดเช่นถ้าเราไม่มีเชื้อไฟแล้วใครเอาไฟเอาไฟไฟไม่ขีดมามาจุดยังไงมันก็ไม่มีเชื้อที่ะ้ห้มันติดแต่ถ้าเรามีของที่มันลุกเป็นไฟได้ง่ายพอเราเอาไม้ขีดไฟมาจุดแป๊บมันก็จะติด ท, ทันทีใจเรามันมีเชื้อความโล้ความดความหลงนี่แหละเป็นเชื้อไฟเชื้อของความทุกข์ ถ้าไม่มีความโลภความกวดความหลงแล้วต่อให้ใครเขาด่าเราอย่างไรมันก็ไม่เกิดความรู้สึกอะไรต่อให้ใครเอาของดีขนาดไหนมาล่อใจเรามันก็ไม่เกิดความโลภเพราะเราไม่อยากได้อะไรเอาเพชรให้สักร้อยกัลลัดมันดูแล้วก็เฉยเฉยมันก็เป็นก้อนหินก้อนหนึ่งอย่างนีน้เอาไปทำอะไรได้แต่ถ้ามันมีเชื่อเนี่ยพอ ใครมาสะกิดหน่อยปั๊บมันก็ลุกขึ้นมาทันทีเลยขอใครพูดไม่ดีหน่อยก็โกรธขึ้นมา ท, าทันทีขอใครเสนออะไรที่ที่น่าสนใจหน่อยก็รีบความับเล ย, ย เ, ปเป็นอย่างน้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องแก้ไม่ใช่อยู่ที่ภายนอก เราต้องแก้ที่ภายในเราต้องทำลายเชื้อต่างๆให้มันหมดไปเชื้อของความรู้ความโกรธความหลงนี้อย่าให้มันมีหลงอยู่ในใจถ้าไม่มีแล้วเราจะอยู่อย่างปกติสุขเราจะไม่อยากได้อะไรเมื่อเราไม่อยากได้แล้วเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรแบบลับๆล่อๆทำอะไรแบบไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมหรือกฎหมายแต่ถ้าเราอยากแล้วบางทีเราก็ต้องไปทำในสิ่งที่ มันเสียหายตามมาต่อไปถ้าเราไม่มีชื่อแห่งความโกรธอยู่แล้วใครจะด่ายังไงใครจะทํำยังไงก็ไม่โกรธเราแต่จะทําอะไรกับเขาหรือไม่นั้นก็อยู่กับเหตุผลถ้าเขาทำผิดกฎหมายก็แจ้งตำรวจได้ก็จะแจ้งตำรวจก็ได้ถ้าเห็นว่าถ้าปล่อยให้เขาทําไปแล้วจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นต่อไป ไม่ถ้าคิดว่าถ้าไปแจ้งแล้วไปทําให้มันเป็นพิษเป็นภัยกับเราเราก็อาจจะไม่แจ้งอะไรก็ปล่อยให้มันไปมันแล้วแต่เหตุผลว่าเราจะทําหรือไม่ทําแต่โดยหลักใหญ่แล้วก็คือไม่ทําอะไรก็ได้เป็นหลัก เราไม่มีความลำคาญใจกับการกระทำของเขาเพราะทำอย่างไรแล้วก็ไม่รู้สึกเดือดแล้วเป้าใหางก็คือความสงบของใจเราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่สุดถ้าใจเราสงบไม่มีเชื้อของความวุ่นวายใจต่างๆแล้วก็สบายที่จะทำอะไรไม่ทำอะไรก็ขึ้นอยู่กับ เหตุผลขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้อย่างพระพุทธองตอนต้นก็ไม่มีความปรารถนาที่อยากจะสั่งสอนใครไม่สั่งสอนก็ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมตรงไงก็เป็นพระเบเจกพระพุทธเจ้าไปเท่านั้นเองสามโลกก็ไม่ได้รับประโยชน์แต่ถ้าสั่งสอนสามโลกได้รับประโยชน์แต่ใครเหนื่อยก็พระพุทธเจ้าเหนืนอยแต่ทํำไมท่านยอมเหนื่อยท่านก็เพราะว่าท่านมี ถ้าหมากรุณามีความสงสารสัตว์โลกท่านเห็นว่าเขามีโอกาสที่จะหลุดพ้นตามท่านได้ท่านก็ยอมเอยครูบาอาจารย์เนี่ยาาทำไมท่านยอมเลยก็เพราะท่านก็อยากจะสงสารพวกเราเนีอยากใพวกเราได้ได้อะไรไปบ้าง มันอยู่ที่ความจริงอะนะมันจะนานไม่นานมันก็อยู่ที่มันจะมันจะอยู่ได้หรือไม่ได้อมันอยู่ได้มันก็อยู่มันอยู่ไม่ได้มันก็ไปความจริงเราอย่าไปคิดถึงเรื่องนานไม่นานแล้วควรจะคิดว่าเราควรจะทําให้มากๆมันนี่สําคัญกว่าว่าทำให้มากมันไม่นานแล้วเดียวๆเจ็ดวันก็ได้ละ มัาทำอะไรกันอยู่ไปถามตัวเองบ้างว่าวันคืนวันคืนผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรกันอยู่เรากําลังทํากิจในอริยสัจจ์หรือเรากาลังทํากิจในไวยสัตใน <c oughs> <c oughs> กินดาวลอยใส่ก็ทํำพอสมควรทําพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พออย่าใช้เงินมากมันก็ไม่ต้องทำมากต่อไปอาจจะทำพาร์ทไมก็ได้ ถ้าเราไม่ใช้เงินมากจะได้แบ่งเวลาครึ่งหนึ่งมาปฏิบัติธรรมอยู่บ้านปฏิบัติธรรมก็ได้จะอาจจะทำน้อยอันนี้ไม่เขี่ยวเข็นใครเพพูดให้ฟังเราต้องเป็นผู้ที่เขียเข้ยวเ ข, วเ ข, วเขว็นตัวเราเองเพราะว่าใจของใครนี่เราก็รู้อยู่แล้วว่าบังคับกันไม่ได้ ใจของเรานีญญา่ยยังแสนจะลําบากเลยเมันทำให้เหมือนนั่งสมาธิแต่ละครั้งนี่เหมือนเข็นโคกขึ้นภูเขาะแต่เวลาไปเที่ยวนี้เหมือนเข็น <c oughs> เข็นโคกลงภูเขามันกึ้งเพรมันลงไปเองเองแต่ปล่อยมือปั๊บมันก็ไหลงลงดังนั้นถ้าเราเรารู้สึกว่าการนั่งสมาธิของเรายากนี้เราก็ต้องพยายามเที่ยวเข็นให้มากๆ เขี้ยวเข็นไปเรล่อต่อไปมันจะง่ายต่อไปพอมันได้ขนมันเห็นขลแล้วโอ้ทีนี้มันไม่ต้องไม่ต้องเขี้ยวเข็นถึงเวลามันก็อยากจะปฏิบัติมันไม่อยากจะทําอย่างอื่นตอนใหม่ๆนี้มันยากตอนล้มลุกคลั่งนี้มันยากแต่พอมันเริ่มลุกได้วิ่งได้แล้วโอ้ทีนี้มันไปแล้วไม่มีอะไรจะดึงไว้ได้ แต่ก็มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้ได้แต่ถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่ได้ถ้าเราทำอย่างนั้นก็ไ้ถ้าเราไม่น้อย่างนั้นก็ไม่มได้ถ้าทาาําทำาอย้างให้ากนน็ไี้ถ้าทํามามาแทำวก็าม่ต้งก็าม็ได้ มันมันก็ไปของมันได้เหมือนคนที่เขาตักน้าเต็มไว้ครึ่งตุ่มนะแต่คนที่ยังไม่ได้ไม่ได้ขันหนึ่งอะไรในนี้ยคนที่ไม่ได้ขันในตุ่มก็ต้องรีบตักให้มันเยอะต้องตักมากหน่อยคนที่ได้ขึ้นตุ่มแล้วเขาก็ตักไปสบายสบายเรื่อยๆก็ไดนะ้เดี๋ยวเขาก็เต็มตุ่มนะที่ยังขออนุญคือของเพื่อนด้วยค่ะเมื่อวานทีกคนได้คุยกนันนะคะ เขาามว่าเขาเองเนี่ยแต่พยายานั่งทุกวันแล้วทุกวันนี้นะคะแต่ปรากฏว่าติดพบหนึ่งก็กำลังรบกวนเขาตลอดอะค่ะแต่ถ้านเข้าหน้ามืดขลับกาเนี่ก็จะเห็นะมีเสียงก๊อกแช่อยู่ข้างเตียงแล้วก็มีเสียงคนเดินตลอดเขาก็บอกว่าอย่ามาให้เห็นนะแต่มันก็มาในฝันก็ได้อืมเขากลัวนะคะนั่นแหละนี่ก็เป็นปัญหาแล้วแหละเพราะความกลัวนี่ก็เป็นสมุทัยนล้ ต้องต้องบอกเขาอย่ากลัวต้องปล่อยเข้ามาทางหลทยาสายแต่เวลาเข้ามาเราอย่าไปสนใจเขาเท่านั้นเองเราพูดโทรอยู่เราก็พูดโทรเราไปเราสวดมนต์เราก็สวดมนต์ของเราไปเหมือนกับเวลาเราสวดมนต์แล้วเสียงโทรศัพท์ดังแล้วก็ปล่อยให้มันดังไปเราอย่าไปกังวลกับเรื่องโทรศัพท์เดี๋ยวมันก็อยุดเองเดี๋ยวไม่มีใครรับสายพักๆมันก็อยู่เอง อีกข้อนี้ก็คือเขาก็เป็นเรื่องของเขาซึ่งเขาไม่รู้หรอกว่าเราเห็นใครเขาก็อาจจะรู้เรื่องของเรามันจะเป็นยังไงก็ช่างมันแต่ไ ม, ไม่ไม่สําคัญนะสําคัญที่ว่าเราจะทํางไงกับมันเท่านั้นเองก็วิธีทําอะไรกับมันก็คืออย่าไปยุ่งกับมันไงอย่าไปแยะอย่าไปให้ความสําคัญเหมือนที่เรานั่งคุยกันตรงนี้ยจะมีเสียงอะไรรอบข้างเราเราก็ไม่ไปสนใจเขาก็ไม่มารบกวนเราแต่ถ้าเราไปให้ความสําคัญกับเสียงรอบข้างเนี่เราก็จะคุยกันไม่รู้เรื่อง เขากลัวเขาเลยรู้สึก่ทุกคืนเขาาไม่นั่งก็ไม่ได้ก็บอกว่าถึงเวลาเขาก็ต้องนั่งก่อนจะน <c oughs> อนออมันก็แบบนั่ตัวนะคะใจเขาคงอยากจะนั่งก็ <c oughs> ให้เขาทาไปเรื่อยๆต่อไปกขาคงจะหายกลัวเองเพราะว่าเมื่อนั่งไปเรื่อยๆมันก็เหมืนมีอะไรเกิดขึ้นที่เขานั่งแล้วก็บอกว่าต้องเงียบนะคะ เขไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าลูกก็ถามนอนหรือเปล่าเขาบอกเขาก็ไม่ได้หลับรู้ตัวมีเสพติแต่เขาไม่เห็นอะไรเอแล้วก็เมันจะนิ่งสดคตาก็ดีก็หมายถึงว่ามันก็สงบเลมันก็สงบในระดับหนึ่งมันอาจจะไม่สงบเต็มที่แบบแบบศักแต่ว่าลูกอย่างนี้เป็นอเบขาเอกาตารุมแต่มันก็เป็นสงบระงับจากความคิดปุงต่างๆ อาจจะมีความคลดกลุงบ้างแต่มันละเอียดจนเรายังไม่สติปัญญาเรามองไม่เห็นก็ได้ยังมีอยู่่าบอกว่าเขาเลยคว่าเอ๊มัน้งถึ่านสอกบ่ายกที่จราแล้วเอาไปนออกมาทมนี่เมื่อจิตลูกเข้าใจว่าเมื่อจิตต้องการต้องการพักก่อนก็เวลาครูบาอาจารย์มาอ่านแล้วก็พเขาเวลาพักก็ให้มันพักให้เต็มที่ก่อนตอนนั้นอย่าไปคิดอย่าไปพิจารณา ดึงออกมาอดึงออกมาก็มันก็จะไม่มีกําลังเหมือนกับคนทํางานมาหน่วยกลับมาบ้านมานอนได้ชั่วโมงก็ถูกเจ้านายโทรศัพท์มาเรียกไปทำงานต่อเนี่ยมันก็จะไม่มีแรงทำํำแต่ถ้าปล่อยให้พักเต็มที่หลับนอนเต็มที่สดสว่างแล้วค่อยให้เขาตื่นขึ้นมากินข้าวอาบน้ำถ้าแล้วไปทํางานเขาก็จะมีกําลังที่จะทํางานได้เต็มที่ กาพับจิตก็เช่นเดียวกันเวลาจิตอยู่ในสมาธินานเพียงไรก็ต้องปล่อยให้เขาพักไปตามความต้องการของเขาเพราะเขาพอแล้วเขาก็จะถอนออกมาเองพอเมื่อเขาถอนออกมาแล้วเราก็ค่อยนำเอามาพิจรารณาตายลักต่อไปบางคนก็เข้าใจว่าพอจิตสงบแล้วปัญญาจะเกิดเองอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิด เนื้อมาได้ข่าวบางคนไปเรียนกับพระบางรูปท่านสอนอย่างนั้นว่าพอจิตสงบแล้วไอ้นุ่นก็ปรากฏขึ้นมานี่ปรากฏขึ้นมาไอันุ่นสิ่งที่ปรากฏมันไม่ใช่เป็นปัญญาสิ่นที่เป็นปัญญามไม่ปรากฏขึ้นมาเองมันต้องอาศัยการพิจารณาความเจริญอยู่เรื่อยๆความแยกแยะอยู่เรื่ยๆเป็นการพิจารณาคารเปลี่ยนแปลงนะก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาพิจารณาร่างกายเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ภายในสิบปีลราถ่ายรูปดูระหว่างสิบปีเราก็จะเห็นว่าเป็นคนละคนเลยแต่ถ้าดูช่วงช้านองถึงเชวามันไง่มันไม่มันมองไม่เห็นความแตกต่างไปแต่นันมันช้ามันมันมันเปลี่ยนแปลงช้าแต่ถ้าให้ระยะเวลายาวนานพอไปนั้นก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจริงสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่พิจารณาจะไม่เห็นตอนให้จิตสงบขนาดไหนมันก็จะนิ่งอยู่เฉย ไอ้ที่มันจะเห็นก็เห็นในสิ่งที่เคยพิจารณามาแล้วเช่นถ้าเราเคยพิจารณาอสุภะอสุภะมาแล้วอย่างนี้มันก็อาจจะโผล่ขึ้นมาได้ในขณะที่จิตสงบหรือถ้าเกิดเราเ ล, ลึกชาติได้แล้วอาจจะพิเห็นชาติก่อนตอนที่เราตายไปก็ได้ตอนที่เราถูกก็เป็นศพแล้วเขาจับเราใส่โลงเอาเข้าไปเผาเผาในในโรงนี้ในในเมรุ น, นี้ก็อาจจะโผล่ขึ้นมาเราเห็นก็ได้ อต่ในวิจิตของคุณแม่แก้วที่ท่นานท่านจิตสงบลงปั๊บก็ถอนออกมาไปเห็นว่าตัวอนอนตายอยูแล้วก็มีหลวงปู่มั่นมาบังสกุลให้อันนี้ก็อาจจะเป็นว่าแกเคยพิจารณามาก่อนในอดีตแล้วมันมีข้อมูลอยู่ในใจอยู่แล้วพอจิตสงบไอข้อมูลเหล่านี้ที่เคยได้ได้เก็บไว้ในใจมันก็ผุดขึ้นมาได้ หรือบางทีมันก็ไปรู้เรื่องอื่นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับมรรคเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับปัญญาเช่นกายทิพย์ต่างๆพูดผีปีศาจต่างๆเรื่องเหล่านี้ก็ต้องต้องรู้ทันว่ามันเป็นเหมือนเป็นไม่ เ, เหมือนกับดูด้วยตาเนื้อมันไม่ได้มีทำให้เราเกิดปัญญาในทางมรรคผลนิพพานถ้าเรามุ่งมั่นที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานเราก็ต้อง อย่าไปสนใจกับสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่จิตสงบถ้ามันปรากฏขึ้นมาเราก็ควรจะดึงจิตกลับมาหาที่ที่จิตเองที่ตัวรู้เองอย่าไปตามรู้เรื่องที่ปรากฏขึ้นหรือถ้าเราใช้ทำรรบทใดบทหนึ่งเป็นเครื่องกํากับถูกจิตไว้แล้วก็กลับมาหาทำบทนั้นก็ได้กลับมาหาพุทโธก็ได้กลับมาหาลมก็ได้ ย่้ไอสิ่ง ต, ต่างๆที่มันปรากฏมันก็จะหายไปเองแล้วเราก็ทำจิตให้สงบนิ่งไม่ให้ไปเห็นอะไรเพื่อจะได้พักจิตจะได้มีกำลังที่จะนำเอาไปพิจารณาทางปล่อยรักต่อไปแต่ถ้าเราปล่อยให้ไปตามรู้กับเรื่อง ต, ต่างๆที่ปรากฏในสมาธิมันก็เป็นเหมือนตอนที่เรานอนหลับแล้วฝันไป นอนหลับนนี้ก็ฝันได้หลายเรื่องมีทั้งตื่นเต้นหวาดเสียวหน้าหน้าชื่นชมยินดีแต่พอตื่นขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงไม่ได้พักผ่อนไม่เหมือนกับตอนที่นอนหลับสนิทแล้วไม่ฝันเลยแล้วตื่นขึ้นมาเราจะรู้สึกสดชื่นเบิกบานมีกําลังที่จะไปทํางานทําการต่อไป าการภาคจิตแบบให้มันนิ่งไม่มีอะไรมาปรากฏเลยเนี่ยเป็นฐานของวิปัสสนาของปัญญาถ้าอยากจะเจริญทางปัญญาก็ต้องให้จิตสงบนิ่งไม่ให้มีอะไรปรากฏขึ้นมาถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมาก็ต้องอย่าตามไปกลับเข้ามาหาหาใจกลับมาหาตัวตัวรู้กลับมาหาพุทโธก็ได้เพื่อจะได้ไม่ตามมัน เมเราไม่ตามมันแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปมันก็ว่างมันก็นิ่งเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้มันนิ่งเฉยๆไปออประกตงนนั้เคยถ้ามันสงบจริงๆไม่ต้องประคองมันจะเป็นอมันใจะอยู่ของมันเองตอนนั้นไม่ต้องทําอะไรแล้วเมื่อมันมันมันจะออกมามันก็จะออกมาเองคืออาการมันก็หลายทางกันที่นะ คนเราถ้าไม่ได้ศึกษาจริงๆเนี่ยเราฟังอะไรมาแต่และเรื่องนี้มันก็สอบสนไปหมดคนที่นั่งสมาธิก็บางทีก็ไม่รู้ว่านั่งไปเพื่ออะไรบางคนคิดว่านั่งเพื่อเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ เห็นอดีตเห็นอานาคตเห็นกายทิเห็นอะไรต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้กับคนบางคนแต่ไม่ได้เกิดกับทุกคนแลาวจิตทังคนส่วนใหญ่แล้วจิตสงบแล้วก็จะไม่เห็นอะไรถ้าถือว่าดีถ้าจะไปในทางมรรคผลนิพพาน แต่ถ้าเขาอยากจะเห็นแล้วเขาสงบแล้วก็ไม่เห็นเ้วก็จะวุ่นวายใจเขาก็เคิดว่านั่งแล้วไม่ได้ผลสักทีนั่นเพราะเขาไม่เข้าใจถึงเป้าหมายของการนั่งสมาธิว่านั่งเพื่ออะไรเพราะถ้าไม่ศึกษาพรทํ า, าคําสอนของพระเจ้าอย่างถ่องแท้ให้ให้ให้ครบถ้วนทุกขบวนการ้มันก็จะหลงได้ มันสนใจแต่เรื่องสมาธิแล้วเอาแต่สมาธิอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องปัญญาเรื่องวิปัสนาไม่สนใจเรื่องศีลเรื่องทานหนึ่งมันก็จะปฏิบัติแบบผิดผิดถูกๆไปแล้วพอได้อะไรขึ้นมาก็บางทีก็กลายเป็นเครื่องมือของกิลเลสไปกลายเป็นหมอดูไปก็มีแทนที่จะเอาสมาธิมา เป็นฐานของปัญญาก็าเอาสมาธิมาเป็นเครื่องมือของกินเลยไปทำมากินเป็นหมอดูก็อ า, อาจจะร่ำรวยมีชื่อเสียงหมอดูบางคนนี่เขาแม่นนะ ม, มีชื่อเสียงมีเงนินมีทองแต่ก็ยังมีโรคกล่หลงอยู่เต็มหัวใจ ในบรรดาอิทธิฤทธิต์ต่างๆพระพุทธเจ้าทรงย่อมย่องอิทธิฤทธิ์ที่เกิดที่ที่เกิดจากการแสดงธรรมให้แก่ผู้อื่นได้เข้าใจอย่างอย่างง่ายได้ถ้าว่านี้เป็นเป็นอิทธิฤทธิ์ที่แท้จริงส่วนการมีตาทิ่ผูที่แปลงกายให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นได้ท่านถือว่ามันไม่มันไม่วิเศษอะไรวิเศษอันเดียวก็คือการแสดงธรรม ให้กับผู้อื่นได้ฟังแล้วเขาเข้าใจได้ยง่าย ไ, ได้อันนี้เป็นเอิทิลิที่เราที่ประเสริฐจริงๆเพราะช่วยให้คนที่เขาฟังได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่เอิทิลิที่อย่างอื่นช่วยเขาไม่ได้มีแต่ช่วยให้เขาหลงมากขึ้นเพราะคนที่ไปหาหมอดูส่วนใหญ่ก็มีความทุกข์จากความโลภความโกรธความหลงอยากจะได้ถึงนั้นคืนมา หายไปก็ไปถามหมอว่าหายไปไหนอยู่ตรงไหนมันก็ไปสร้างความโลภสร้างประธานความยึดมัน่นถือมัน่นแทนที่จะไปหาหมอดูบอกว่าปล่อยมันไปแทนมันไปแล้วก็ดีหมดปัญหาไปหรอไปหาหมอหมอหมอทางปัญญาจะเป็นอย่างนั้นจะสอนให้ปล่อยให้วางมันไปแล้วก็ดีหมดตาละไปไม่ต้องมาทุกข์กับมัน แล้วมันกลับมาทําไมนะแต่ถ้าเป็นหมอแบบนี้จะไม่ค่อยมีคนมาหาเท่าไหมจะไม่มีไรายได้นอกจากนอกจากพวกที่พวกที่ชอบปล่อยวางจริงๆ้นะถึงจะมาพวกที่ต้องการหยุดพ้นจากความทุกข์เท่านั้นถึงจะมาแต่พวกที่ยังอยากได้รับยศสรรเสริญสูงสุดนี้มาฟังวันเดียวก็ไม่กลับมาแนละ้ว เอาจากหนังสืออนก็นได้มีหนังสือกับซีดีถันใหม่กำลังใจสิบเจ็ดครับกลงใจสิ ไว้ของกันนะถวาริวะฮาปุระปริปุเรติสักวังเอวเมวะอิโตชินังเตตา낭อุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปาเมวะสุิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยทามณิโชติระโสยทาสัพพิโยวิวาจันตุสัพเพรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีคายุโกภวาอภิวาทนศีลิศะนิจังวุทธาปจายิโนจตารุธรมมวทาติอายุวันโนสุขาง อ่าง uh,